วันนี้พวกเราได้ทํากิจกรรมหลา ย, ลายอย่างตั้งแต่เมื่อเช้าได้ทําบุญทำทานได้ไหว้พระจากนั้นก็ได้สมาทานศีลตอนบ่ายก็ได้ขึ้นไปทําพระทักษิณรอบเจดีย์ภูก้อนตอนค่าพวกเราก็ได้ทําพระทักษิณรอบพระพุทธปฏิมากรคือพระพุทธรูป จากนั้นก็ได้ไหว้พระสวดมนต์จบลงสักครู่นี้เป็นอันว่าวันนี้พวกเราได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันสำคัญยิ่งคือวันมาฆบูชาปีพศ2549พวกเราได้ทำกิจกรรมทางฝ่ายพระสงฆ์ทางฝ่ายฆราวาส พร้อมกันก็อย่างขึ้นไปประทักศินภูกรหมดหมดทั้งเขตอำเภอนายงแปลว่าขึ้นไปพร้อมกันรู้สึกว่าอบอุ่นพอสมควรอันนี้ก็คือกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์พัน0ร้หบ ที่เป็นพระอาหารหันต์ที่พร้อมกันลงมติหรือว่าตั้งกฎเกณฑ์วางรลกฐานของพระพุทธศาสนาพวกเราให้สังเกตดูว่าพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจที่บริสุทธิ์ ท่านหันหน้าเขาหากันทั้ง1250รูปพร้อมกับพระพุทธทเจ้าที่เป็นต้นศาสด า, ศาเป็นต้นศาสนาจากนั้นก็วางหลักฐานคือหลักธรรมวินัยประดิษฐานเอาไว้ให้พวกสาวกของพระ อ, องค์ปฏิบัติกันมาอันนี้คือผู้บริสุทธ์ตั้งกฎเกณฑ์ไม่ได้แฝงด้วย โลกามิตรอะไรทั้งหมดเพราะจิตใจของพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีราคะโทสะโมหะเพราะนั้นทำคำสั่งสอนหรือว่าหลักกฎเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าพระสงฆ์1250รูปวางกฎเกณฑ์ไว้จึงเป็นหลักฐานมั่นคงถ้าจะว่าไปแล้วก็ยิ่งกว่าเสาหินอีกกว่างั้นเถอะ เพราะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้กดปกครองสงฆ์อย่างที่หลวงพ่อพูดศีลของพระนั้นคืออะไรอย่างที่พูดเมื่อเช้านี่มีอะไรพวกเราก็พงจะพอเข้าใจศีลของครวาตคืออะไรหลวงพ่อก็จะอธิบายให้ฟังในเย็นนี้หลวงพ่อจะไม่พูดเรื่องศีล น, นะพอได้พูดแล้วเมื่อเช้านี้ แต่จะพูดเรื่องสมาธิเลยทีนี้เพราะว่าถ้าจะว่าไปศีลสมาธิปัญญาเกี่ยวเนื่องกันเราจะไปพูดแต่เรื่องปัญญาอย่างเดียวก็ไม่ได้จะไปพูดแต่เรื่องศีลอย่างเดียวก็ไม่ได้จะไปพูดแต่เรื่องสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะมันเกี่ยวเนื่องกันเหมือนกับต้นไม้มีเปลือกมีกะพีแล้วก็มีแก่นถ้าจะเปรียบเทียบ ให้ดูเป็นรูปธรรมขึ้นมาก็คือศีลก็คือเปลือกสมาธิคือกะพีปัญญาก็คือแก่นเพราะนั้นเมื่อเช้าได้พูดเรื่องศีลคือพูดเรื่องเปลือกเปลือกต้นไม้แต่ถ้าหากว่าต้นไม้มีมีเปลือกเป็นยังไงต้นไม้ก็หาความเจริญไปไม่ได้ตายอย่างที่เขา ถากต้นไม้ออกอยากจะให้ต้นไม้ตายนะก็ถากเปลือกออกต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้ตายถ้าไม่มีเปลือกเพราะนั้นเกี่ยวเนื่องกันทั้งเปลือกทั้งกระพีทั้งแก่นก่อนที่จะเป็นแก่นได้ก็ต้องอาศัยเปลือกต้องอาศัยกระพี้ถึงจะเป็นแก่นขึ้นมาได้เพราะนั้นศีล ส, สมาธิปัญญาเกี่ยวเนื่องกัน ศีลคือข้อประพฤติธปฏิบัติการอยู่ร่วมกันการเป็นอยู่คือกฎเกณฑ์ที่จะต้องได้ประพฤติธปฏิบัติโลกทั้งโลกการเป็นอยู่การพูดการกระทำศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลส่วนสมาธิทำจิตให้สงบ เป็นเรื่องของส่วนตัวเข้ามาแล้วแต่ไหเพราะนั้นเรื่องสมาธิเป็นเรื่องของส่วนตัวพยายามดูใจของตนเองไม่ให้ไม่ให้ใจปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกจะทำยังไงจึงจะไม่ให้ใจปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกไม่ให้คิดออกไปข้างนอกพระพุทธเจ้าท่านก็มีกฎเกณฑ์ขึ้นมาก็คือสมาธิทำกำหนดอะไร พระพุทธเจ้ากรรมฐานของพุทธะคือพระพุทธเจ้ากรรมฐานของพระองค์ก็คือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักคืออันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะได้ตัดูธเป็นพระพุทธเจ้าในวันเดือน6กเพนพระพุทธเจ้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแต่เมื่อพระองค์ได้สาเร็จเป็นพุทธะแล้วพระพุทธองค์ ท่านก็วางรากฐานเอาไว้อีกวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับสมาธินั้นมีอะไรบ้างไม่ใช่มีแต่กาหนดลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวพระพุทธองค์ท่านก็บอกเนี่ยกรรมาฐาน40ท่านก็วางเอาไว้กรรมาฐาน40อย่างพุทธานุสติธรรมานุสติสังข า, างนุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอานาปานสติ มรณะอนุสติอุปสมานุสติอนุสติ10จากนั้นก็กระสินอกีกรวมแล้วพระพุทธเจ้าวางเป็นมาตรฐานเอาไว้แล้วว่าเป็นกฎเกณฑ์เอาไว้พอประมาณ40อย่างอันนี้คือกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าจะให้พุทธบริษัทของพระองค์พุทธบริษัท4ของพระองค์คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา ปฏิบัติในสมาธิกําหนดให้จิตอยู่กับสมาธินั้นให้จิตเอาสมาธินั้นมาอยู่ที่จิตใจของเราทุกคนชุดแท้แต่ใครจะถูกกรรมฐานไหนถูกกับจริตไหนก็บริกรรมหรือว่านากรรมฐานนั้นมาประพฤติปฏิบัติอันนี้ก็คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้า ตนี้กรรมฐานทุกกรรมฐานก็เพื่อจะทําจิตให้สงบจะทําจิตให้เป็นหนึ่งแต่ถ้าว่าเราใช้กรรมฐานไหนก็าตามถ้าจิตสงบไม่เป็นหนึ่งจะกรรมฐานเลิศเลอขนาดไหนถ้าจิตไม่เป็นหนึ่งจิตปุงฟุ้งซ่านเข้าสมาธิไม่ได้แปลว่ากรรมฐานยังใช้ไม่ได้เหมือนกับยาแก้โรค ถึงจะเขาว่าดีวิเศษขนาดไหนมาจากประเทศไหนมาจากทำดีขนาดไหนก็ตามแต่มารักษาโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้ผลแปลว่ายาขนาดนั้นใช้ไม่ได้แต่ถ้าว่ายาขนาดใดก็ตามที่เอามารักษาโรคโรคระงับได้ด้วยยานั้นแปลว่ายาขนาดนั้นมีประโยชน์อันนี้ก็เหมือนกันกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้ ก็เพื่อให้ถูกกับจริตพวกเราท่านทั้งหลายจะนำมาประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นเราไม่ควรจะยืนยันว่าเด็ดตีนขาดว่ากรรมฐานนี่ดีที่สุดถูกต้องที่สุดไม่มีอันไหนที่จะยิง่งกว่ากรรมฐานอันนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้เท่านั้นถ้าใครยืนยันอย่างนั้นแปลว่าออมองแคบไม่กว้างไม่ถูก พูดอย่างนั้นได้เลยเพราะว่ากรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ทานท่านวางเอาไว้ถึงท่านวางเอาไ ว, 40ว้40่วิบเถอะผู้ที่ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลนอกเหนือจากที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้มีตังเยอะแยะเพียงตวกรรมฐานที่วางเอาไว้เหล่านั้นเพื่อต่อรอมจิตเข้าสู่เป็นหนึ่งให้เป็นให้จิตเป็นหนึ่งให้จิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่ง จะทำยังไงจิตจะเป็นหนึ่งได้อันนี้คือพระพุทธเจ้าวางเอาไว้เพราะว่าจริตของคนพระพุทธองค์ก็บอกว่ามีหลายจริตราคะจริตชอบสวยงามเราจะใช้กรรมฐานอะไรแต่ว่าใช้อสุภะถ้าใครชอบสวยงามพิจารณาอาสุภะหากล้าง ถ้าวาวิตกจริตกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกโทสะจริตให้แผ่เมตตาให้หนักไปทางเมตตาอย่าไปอิดช้าเขาอย่าไปโมหโหโโสให้เขาให้มองตัวเองตัวเองก็มีผิดมีถูกเหมือนกับเขาทําไมเราจึงไปโมโหให้เขาเพราะฉะนั้นให้มีเมตตาฮคือสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่าน ท่านวางเอาไว้ก็ว่าจริตของคนมียังไงถ้าวิตกจริญคิดแล้วคิดอีกวิตกไปวิตกมาจะทำยังไงอา้าวบริกรรมกำหนดลมหายใจเข้าออกแต่ท่านก็บอกว่ากรรมฐานที่ถูกกับจริตเกือบทุกจริตก็คือกรรมฐานกำหนดลมหายใจเข้าออกเกือบถูกกับทุกจริตแต่ท่านก็ไม่ได้พูดว่ากรรมฐานกาหนดลมหายใจเข้าออกเท่านั้น ดีที่สุดก็ไม่ได้ยืนยันอย่างนั้นอีกเพราะนั้นกรรมฐานที่เราจะนำมาประพฤติปฏิบัติปรับปรปุงแก้ไขตัวของเราเองเราก็ทดลองดูเอิบภาวนากาหนดลมหายใจเข้าหายจจออกเป็นยังไงหรือว่าบริกรรมความว่าตายตายเป็นยังไงเห็นอนิจจังนินจังว่ายังไงแต่ว่าอย่าไปเปลี่ยนกรรมฐานบ่อยจนเกินไปนะ เปลี่ยนกรรมฐานบ่อยจนเกินไปก็ไม่ดีวันหนึ่งเปลี่ยนกรรมฐานหนึ่งวันหนึ่งเปลี่ยนกรรมฐานหนคนว่านี่ยคนหนึ่งว่ากรรมฐานนั้นดีเขเปลี่ยนกรรมฐานตามที่เขาบอกผลที่สุดก็เลยเป็นคนหลักรอย เ, อเป็นคนหาจุดยืน e ไม่ได้เปลี่ยนกรรมฐานวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้ง เ, เขาว่ายังไงดีก็ตามเขาไม่ได้สังเกตตัวเองเพราะฉะนั้นเราบริกรมก ร, รมกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออก แล้วเราเป็นยังไงจิตของเราเข้าสู่ความสงบดีไหมมันนิ่งไหมเลี้กับบริกรรมว่าขาขวาพุดขาซ้ายโถเวลาเดินเป็นยังไงจิตใจสงบดีไหมหรือว่าบริกรรมว่าหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็าตายทุกคนต้องตายแล้วลึกถึงความตายอยู่เสมอจิตใจของเราเป็นยังไงภาวนากรรมฐานนี้จิตใจสงบดีไหมจิตใจไม่คึกไม่คอนอง ไม่ปุงุงไม่ฟุง้งไม่ซ้านออกไปข้างนอกใช่ไหมคืออันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายจะต้องเป็นผู้สังเกตตัวเองแต่ถ้าว่าไม่สังเกตตัวเองเขาว่ายังไงก็ว่ากันไปทาไปเป็นวันๆไปไม่ได้สังเกตเหมือนกับเราทำมาค้าขายทำไปเรื่อยตามที่เขาบอกทำไปเรื่อยไม่ได้สังเกตทุนกำไรขาดทุนกาไรยังไงได้มายังไงเสียไปยังไงเราไม่ได้คิด ผลที่สุดคนนั้นจะหาความเจริญรุ่งเรืองหาความร่ารวยขึ้นมายากเพราะว่าขาดการสังเกตขาดการเอาใจใส่อันนี้ก็เหมือนกันการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เข้าทำนองลักษณะอย่างนั้นนะเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเวลาปฏิบัติภาวนากำหนดกพันฐานไหนก็ให้สังเกตใส่ใจพิจารณากำหนดให้จริงจัง ทำให้จริงให้จังอย่าไปจับจดอย่าไปเปลี่ยนกรรมฐานบ่อยแล้วก็ให้สังเกตในกรรมฐานนั้นๆในเมื่อจิตของเราเมื่อรรมันถูกกับจริต้องเราเราเมื่อภาวนาเข้าไปจิตของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งนิ่งจิตเย็นสบายจิตไม่ปุงไม่ฟุง้งไม่ซ่านจิตอยู่ในกรอบ เมื่อจิตสงบข้อเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะเห็นตัวของเราเองล้วทีนี้จิตไม่ปุงฟุง้งซ่านผลในสุดมันก็เข้าไปถึงคณิกะอุปจาระอัปปนาอปปนาสมาธิจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นคืออันหนึ่งอันเดียวกันสติกับจิตแปลว่าจิตนิ่ง อันนี้แปลว่าสมาธิมีสูงที่สุดก็คือจิตที่รวมเป็นหนึ่งที่เป็นอัปปนาสมาธิไม่นอกเหนือไปกว่านั้นอันนี้คือสมาธิสูงสุดคืออัปปนาสมาธิแต่ถึงยั ง, ยงไงก็เถอะนะจิตที่เป็นอัปปนาสมาธินี้เป็นจิตที่มีความสุขสวยหรือว่ามีความได้รับรสความสุขอย่างมากๆรสของสมาธิ ที่จิตไม่ปรุงไม่ปรุงไม่ฟุ้งไม่ออกไปข้างนอกจิตสงบเป็นหนึ่งเลยมีความสุขและก็เชื่อมั่นในตัวเองได้ด้วยอีกว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์พอจะอย่างรู้ได้ว่าตัวไหนเกิดตัวไหนาตายตัวไหนศูนย์รู้ได้ด้วยตนเองขณะจิตเป็นสมาธิเพียงอัปปนาสมาธิเท่านั้นก็พอจะรู้ได้แล้วว่าร่างกายตายแตกแน่นอนแต่จิตใจนั้นโดดเด่น ความรู้สึกนั้นโดดเด่นเราจับได้ว่าตัวที่โดดเด่นนี่แหละเมื่อสร้างกายแตกไปแล้วตัวนี้แหละตัวใจนี่แหละจะต้องไปออกจากร่างไปก่อภพก่อชาติไปปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆเรารู้ได้ด้วยตนเองเมื่อจิตของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งหรือเป็นอัปปนาสมาธิแล้วเพรคนนั้นถ้าจะว่าไปแล้วคือจิตที่เป็นอัปปนาสมาธินี่ก็ ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราก็ไม่ไม่ใช่จะมุ่งหวังอย่างเดียวว่าจะต้องให้จิตสงบซะก่อนจึงจะเดินไปสู่ปัญญาก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ถ้าว่ามันจะสงบก็ให้มันสงบได้ดีเพราะจิตสงบเป็นพื้นฐานแล้วจิตใจไม่หิวหอยด้วยอารมณ์ต่างๆจิตใจของเราอิ่มด้วยธรรมสมาธิธรรมจิตใจไม่บล็อกแวก จิตใจสงบนิ่งแต่ถ้าว่าจิตใครใจเข้าสู่ความสงบแล้วจะเกิดเป็นปัญญาขึ้นมานั้นยากเกือบจะว่าไม่มีทางจะเป็นไปได้เว้นเสียแต่พวกท่านที่เป็นคิ ป, ปพินยาพวกรู้ได้เร็วอันนั้นอีกประเภทหนึ่งแล้วว่าถ้าเป็นฝีม้า ก, กับมา้าอาชนายหรือว่าม้าที่มีฝีก้าวที่ดี หรือถ้าเป็นคนก็เป็นคนที่ไอคิวสูงว่างั้นะพร้อมกับบุญวัาสนาอีกต่างหากเพราะนั้นผู้ที่จิตเข้าสู่ความสงบแล้วมันจะกระโดดไปสู่ด้านปัญญาเห็นตามความเป็นจริงขึ้นมาได้นั้นลักษณะประเภทพวกท่านทีนทนท่เป็นคิปปิญญาเพียงนั้นแต่โดยมากพวกทันทาปิญญาหรือว่าพวกทั่วๆไปเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้ว ก็รู้ว่าจักรู้จักความสงบควรจะให้พักอยู่ในความสงบเสเวยความสุขในความสงบนั้นพอสมควรแต่บางคนก็บอกว่ากลัวติดสมาธิแต่ตามไม่จริงเราก็รู้แก่ใจอยู่แล้วว่าสมาธิเป็นยังไงมันจะติดได้ยังไงเมื่อเราเรียนรู้อยู่แล้วในเมื่อมันติดเราก็ต้องพยายามถอนออกได้เพราะว่าเราเรียนรู้แล้ ว, วาการติดสมาธิอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกไว้เราก็รู้แก่ใจแล้วว่า การติดสมาธินะั้นเป็นอย่างไรเป็นผลเสียหายอย่างไรนะแต่ตัวเองจิตไม่เคยเป็นสมาธิใช่เลยแล้วก็กลัวล่ะกลัวสมาธิล่ ะ, ะเหมือนกับคนขี้ทุกข์ขี้ยากอพอจะหาเงินได้หน่อยหนึ่งก็กลัวเป็นเศรษฐีลักษณะอย่างงั้นแหล ะ, ะกลัวเป็นเศรษฐีถ้าเป็นเศรษฐีขึ้นมาข่าจะทำยังไงค่าไปไหนไม่ได้ถ้าเป็นเศรษฐีขึ้นมาแล้วเพราะนั้นให้เป็นเศรษฐีก่อนเถอะนะ เนเมื่อเป็นเศรษฐีเรามีปัญญาเสียอย่าง เ, าเราก็จะใช้อย่างไร เ, เราจะใช้อย่างไรเมื่อเป็นเศรษฐีแล้วถ้าเรามีปัญญาเช่ล้วพึ่งยังไงก็ไม่เสียหายอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรารู้แก่ใจแล้วว่าสมาธิมันเป็นผลเสียหายอย่างไรเมื่อติดสมาธิอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสัง่งสอนในเมื่อจิตของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเออสวยหรือว่าเข้าไป อยู่ในความสุขในสมาธิเราก็รู้เว่าเออสมาธิเป็นรสชาติอย่างนี้เองเราก็เชื่อมั่นในตัวเองที่นี่จากนั้นเราจะถอนออกมาพิจารณาทางด้านปัญญาอย่างไงมากน้อยแค่ไหนมันก็จะไปได้ดีกว่าที่คนไม่เคยเป็นสมาธิเลยถ้าหาวกจจว่าจิตใจของเราไม่เคยเป็นสมาธิเลยไม่เคยริมร่สสมาธิเลยนะเพอเอยังสงสยัยว่าเอ๊ะ ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยหลอกคนเล่นหรือเปล่านนานะยังคิดสงสัยอย่างนั้นไปอีกทีไหนเพราะว่าจิตไม่เคยเข้าสู่ความสงบเนีว่าพระทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนคนเนี่ยเป็นเครื่องเป็นเครื่องหลอกคนเล่นหรือเปล่าจริงหรือเปล่าวะยังสงสัยอีกแต่ถ้าว่าจิตของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งนะแน่วแน่เป็นหนึ่งแล้วนั่นละคนนั้นล่ะแปลว่าฝังลากลึกเชื่อมั่น ในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เชื่อมั่นในพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจา้าไม่วอกแวคอรแคนเลยว่างั้นถเถอะเพียงจิตสงบได้ริมรถของสมาธิอัปปนาสมาธิเท่านั้นก็เชื่อมั่นในตนเองอย่างมากแต่ถ้าว่าจิตใจยังไม่ถึงขนาดนั้นแล้วมีแต่ศรัทธาเฉยๆมีแต่ทาสมาธิเฉยๆ จิตใจยังเป๋ซ้ายเป๋ขวาเป๋หน้าเป๋หลังเผยเผยคนชักชวนไปทางไหนก็เป๋ไปตามเขาเพราะเหตุไรเพราะจิตยังไม่มั่นคงจิตยังไม่แน่วแน่จิตไม่เคยริมรถของสมาธิที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนเพราะฉะนั้นเรื่องสมาธิทำเป็นหน้าที่และมีความจําเป็นสําหรับผู้ปฏิบัติพอสมควรนะแต่ว่าทำสมาธิ จนจิตสงบเป็นหนึ่งซะก่อนใช่ไหมจึงจะเดินถึงด้านปัญญาก็ไม่เป็นไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น เ, เรื่องด้านปัญญาเราก็พยายามทําไปพร้อมๆ ก, กันกับสมาธิเราเห็นสิ่งไหนเราก็กําหนดดูเห็นคนตายเราก็สังเกตเออเราก็จะต้องตายเหมือนกับเขาไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งเห็นอสุภะปฏิกูลเออที่ไหนเห็นสัสตวสราสิงที่ มันเน่าพุพองขึ้นมาเออสัตว์โลกทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยเราอีกสักวันหนึ่งเราก็ไม่คงจะไม่แพ้เขาเราก็ต้องเปอย่างเขาเมื่อเห็นคนแก่เออคนแก่สมัยก่อนเขาคงจะเป็นคนหนุ่มแต่บัดนี้เขาแก่แล้วอีกสักวันหนึ่ง เ, ออเราก็คงจะเป็นอย่างเขาฮะ อ, อ, อันนี้ก็คือมันเริ่มมันเริ่มทางไปทางวิปัสสนาแล้วทีนี้ เริ่มไปทางวิปัสนาถึงจะพูดเป็นวิปัสนาหรือไม่วิปัสนาก็ตามนะแต่แนวความคิดนั้นรู้เห็นตามความเป็นจริงมันเริ่มไปแนวแถวทางวิปัสนาแล้วเพราะฉะนั้นศีล ส, สมาธิปัญญาปัญญาก็คือวิปัสนาวิปัสนาปัญญาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างไรคนเกิดมาในโลกมันเป็นยังไง เห็นอนิจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนอานตาไม่ใช่ตัวตนของเราจากนั้นก็ดูร่างกายของตนเองแยกแย ะ, ร, ย ร, ะ ร, ร่างกายของเรามีอะไรบ้างร่างกายของเรามีโครงกระดูกอยู่ข้างในใช่ไหมโครงกระดูกอยู่ข้างในใช่ไหมกระดูกเป็นโครงสร้างของร่างกายใช่ไหมก็ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่ใช่ แต่ว่าเราไม่ได้พิจารณาเราไม่เห็นแต่ตามไม่จริงพระพุทธเจ้าให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างไรร่างกายของเราเนี่ย อ, อมีเนื้อมีตับไตลำไส้มีปอดมีหัวใจแต่ตามไม่จริงที่ผู้เป็นแพทย์เป็นหมอเขาก็เห็นท่านก็เห็นแต่เห็นก็เห็นตามทั่วๆไปไม่ได้เห็นด้วยปัญญาเห็นแต่ว่าเห็นเฉยๆ เห็นกัเหมือนกับเราเห็นต้นไม้ภูผาป่าไม้เอแต่ถ้าเห็นในหลักของพุทธศาสนาให้เห็นเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงเอหมือนเราเคเห็นคนตายเห็นคนตายใช่เห็นคนตายคนอื่นตายก็ธรรมดาแต่พอมาเจอตัวเองตายเข้าทีนี่มันไม่ใช่ธรรมดานะเออมันว้าเหวอ้างวางพอสมควรเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเห็นตัวเองตายกําหนดตัวตัวเองตาย อยไปคิดว่าคนอื่นตายเท่านั้นตัวเองก็จะต้องตายเหมือนกับเขาอีกสักวันหนึ่งแต่พอมาเจอตัวเองตายเข้าจะเนี่โอ้ไม่น่าจะมาถึงเราเร็วถึงขนาดนี้เราก็ยังไม่ได้ทําคุณงามความดีเราก็ไม่ได้ทําความช่วยเสียหายแต่ทําไมเราจึงมารับผลกรรมเราทำไมจึงตายเร็วขนาดนี้นะเทนี้ก็โวยวายขึ้นมาอีกแต่ตามไม่จริงถึงจะโวยวายยังไงก็ทุกคนก็ต้องได้รับ เรื่องมรณะภัยหรือคือความตายเพราะนั้นการพิจารณาทั้งร่างกายทั้งความตายสังขารทั้งอสุภะด้วยทั้งมรณะนุสติด้วยให้พิจารณากายให้เห็นตามความเป็นจริงนอันนี้คือวิปัสสนาแต่สมาธินั้นทําจิตให้สงบจะทํายังไงจิตของเราจะเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้ตร่อมจิตเข้าสู่ความสงบไม่ให้ปรุงพุงไปทางอื่นกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออก ด้วยการเอาสติมาจับบังคับให้อยู่กับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งไม่ให้ปรุงไม่ให้คิดออกไปข้างนอกให้จิตอยู่ในปัจจุบันใจอยู่ในปัจจุบั น, ป, จจบนปัจจุบันนะจิตปัจจุบันนธรรมให้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกหรือว่าในการเคลื่อนไหวของร่างกายาดูหัวใจของเรามันเต้นตุบตุบให้อยู่ในหัวใจให้เต้นให้ดูอยู่ที่นั่นหรือว่ากาหนดก้าวเดิน ขาขวพูดขาซ้ายโทก็ให้รู้เรื่อว่าเรานั่งอยู่ในสภาพเช่นไรหรือเรานั่งอยู่ในขณะนี้ก็ให้มีสติรู้อยู่ในกายของตนเองตลอดไม่ให้คิดออกไปข้างนอกให้รู้ว่าร่างเรานั่งอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่ในสภาพอย่างนี้รู้ตามความเป็นจริงอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่อย่างนี้คือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อยู่เสมอคือไม่ให้คิดออกไปข้างนอกอันนี้แปลว่า วิธีการทำสมาธิให้จิตอยู่กับตัวเองในเมื่อจิตอยู่กับตัวเองนำมาพิจารณาทั้งด้านปัญญาแยกแยะร่างกายร่างกายของเรามีอะไรบ้างทุกวันนี้เราหลงอะไรหลงร่างกายถึงจะว่าจะหลงหรือไม่หลงก็เถอะนะแต่ว่าใจของเราว่าร่างกายเป็นของเราพอร่างกายเป็นของเราเราก็ไปหลง เงินคำทรัพย์สมบัติพี่น้องเพื่อนฝูงสามีพรนยาทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์เราก็หลงไปอีกในสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าเราคิดว่าร่างกายนเป็นของเราเมื่อหลงร่างกายว่าเป็นของเราก็หลงสิ่งภายนอกเหล่านั้นมันก็ว่าเป็นของเราถ้าว่าไม่หลงไม่คิดว่าร่างกายเป็นของเราเราก็ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นปัจจัยอาศัยไม่ใช่ของเรา เป็นปัจจัยอาศัยอยู่ในโลกเอาไปด้วยไม่ได้อีกสักวันหนึ่งเมื่อร่างกายของเราแตกสิ่งเหล่านั้นก็ดับไปด้วยเหมือนกันร่างกายของเราก็เนี่ย เ, เมื่อตายไปแล้วก็เอาไปเผาไฟจะเห็นแต่กระดูกตัวเองยศถามบรรดาศักด์จะมีจากที่ไหนสิ่งเหล่านั้นจะมีจากที่ไหนเอาไปได้ที่ไหนแต่ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งเหล่านั้นแต่อย่าไปหลง อย่าไปมัวเมาอย่าไปให้ความสำคัญจนเกินไปแต่บางคนก็ให้ความสำคัญจนเกินไปจะล้มจะตายเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นบ้าเป็นบอเพราะสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าว่าเรามีธรรมะอยู่ในจิตใจแล้วเราจะรู้เมื่อรู้ร่างกายว่าไม่ใช่ตัวตนของเราร่างกายนี่มีโครงสร้างกระดูกเป็นโครงสร้างข้างในมีกรกะโหลกศีรษะกระดูกคอกระดูกแขน กระดูกชี้โครงกระดูกหลังกระดูกปั้นเอวกระดูกขากระดูกหัวเข่ากระดูกแข้งกระดูกฝ่าเท้าล้วนแล้วแตเป็นกระดูกทั้งหมดอยู่ข้างในในเมื่อเราเห็นกระดูกของตัวเองบวกว่านี้ร่างกายมันเป็นลักษณะอย่างนี้จากนั้นเมื่อเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วให้ย้อนมาหาตัวตัวใจที่นี่ใจคือนามธรรมที่ไปรู้ว่ากระดูกมันเป็นยังไงร่างกายมันเป็นยังไง ในเมื่อสมาธิเราดีตั้งแต่ทีแรกมาพิจารณาทางด้านปัญญามันก็เห็นได้ชัดเจนเมื่อเห็นทางด้านปัญญาแล้วมันย้อนก็ัามาหาตัวผู้รู้คือใจใก็เห็นได้ชัดเจนอีกเหมือนกันเราไปหลงร่างกายว่าร่างกายเป็นของเราเมื่อร่างกายว่าเป็นของเราเราก็ไปหลงสิ่งภายนอกอีกว่าเป็นของเราไปยึดไปถือว่าเป็นของเราเออมันเป็นของเราแท้ใช่ไหมพอ ปัญญาอย่างเข้าไปมันก็ต้องเอถอยหลังแล้วทีนี้ไม่น่าจะใช่อพอร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าว่าร่างกายเป็นตัวตนอย่าบอกให้มันแก่สิออย่าให้มันเจ็บสิอย่าให้มันตายสิมันบอกได้ไหมมันบอกไม่ได้ในเมื่อบอกไม่ได้จะเป็นของเราได้ยังไงอใจก็จะรู้ได้ดุในใจของตัวเองนะทีในเมื่อมันรู้ได้อย่างนั้นมันก็รู้เข้ามาหาตัวใจแล้วทีนี้ มันก็ดูดูในใจล้วสิไอ้ใจของเรามันคิดเรื่องอะไรสินี่เนี่ยมันก็ตกติกตุกติกตุกติกตุกติกอยู่ในใจในความรู้สึกนั้นอ่ามันก็บางทีมันก็จิตใจของเราก็เศร้าหมองบ้างจิตใจผ่องใสบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างอ่ามันอยู่ในนั้นแหะสิมันอยู่ในใจเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาทางนอกอทางพิจารณากายแล้ว กายก็คือรูปธรรมจากนั้นเราก็ย้อนเข้าม า, านามธรรมในร่างกายของเรามีอยู่สองอย่างคือรูปธรรมกับนามธรรมรูปธรรมคือร่างกายนามธรรมคือตัวผู้รู้อาศัยอยู่แต่เรารู้ตั้งแต่ที่แรกว่าเนี่ยที่ว่าสมาธิจิตสงบลงไปเป็นหนึ่งแล้วเรารู้ได้ว่านี่ยกายกับใจนี่มันคนละอันกันนามธรรมกับรูปธรรม แต่ว่าเมื่อเรายังรู้เพียงแค่นั้นเรื่องสมาธิแต่เมื่อรู้ด้วยปัญญาเราจะรู้เลยว่านามธรรมเนี่ยเป็นหลงร่างกายไปยึดร่างกายว่าเป็นตัวตนของเรายึดอย่างเหนียวแน่นเลยว่าเป็นของเร า, เาใครดูถูกใครว่าให้ไม่ได้ทั้งนั้นโกรธโมโหโทโสขึ้นมานามธรรมตัวนี้แสดงออกมาอย่างสุดๆวดางท่านเน่ปกป้อง ร่างกายตัวเองว่าเป็นของเราเพราะออกมาจากพ่อท้องแม่ขึ้นมาเนี่ยคยึดถืออยู่ตลอดว่าร่างกายเป็นของเราเพราะนั่นอนอกจากธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหะที่จะยังลงไปสู่จิตใจดวงนั้นให้พิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างไรถ้าว่าเราไม่ได้นําธรรมะเข้ามาพิจารณาแล้วเราจะมองไม่เห็นเออ ยืนหยัดยืนยันติดมั่นยึดถือในร่างกายตัวเองจนมองมาเห็นว่าอันไหนถูกอันไหนผิดมืดมนอนตะการไปหมดว่างั้นเถอะแต่ถ้าว่าเรานำธรรมะตั้งแต่เรื่องศีลเรื่องสมาธิเข้ามาแล้วจนถึงแยกแยะร่างกายจนถึงแยกแยะรู้ว่ารูปประธรรมนามรธรรมกายกับใจได้ชัดเจน เราจะรู้ได้ทีนี้จากนั้นก็ดูใจทีนี้ใจทำไมจึงไปลุ่มหลงไปมัวเมาไปติดไปคล่องไปลักไปโลภไปกโกรธไปหลงกับสิ่งเหล่านั้นเพราะอาศัยกายของเราเป็นหลักอาศัยกายของเราเป็นต้นเหตุทีนี้เมื่อย้อนถึงมาตัวผู้รู้ถึงตัวใจตัวนี้แหละเป็นตัวที่สำคัญอย่างมากในหลักของพุทธศาสนาอา ถ้ามีสิ่งที่มากระทบปุ๊บเออมันจะออกออกมาเลยแหละทนี้ถ้าสิ่งที่กระทบออกเข้ามาที่ไม่พอใจมันก็เกิดอารมณ์โทสะถ้าว่าสิ่งที่ชอบใจมันก็เป็นราคะมันก็อยู่ในใจของเราออกมาเป็นสองแง่เออดีใจกับเสียใจแต่อพยยากตาคือจิตเป็นกลางๆมีน้อยมาก จิตเป็นกลางๆงที่ไม่ดีใจไม่เสียใจน่มีน้อยมากแต่โดยมากมันจะมีสองดีใจกับเสียใจดีใจกับเสียใจอยู่ทั้งวันถ้าเราเอาธรรมะปัญญาเข้าไปจับดูแล้วไปดูใจของตัวเองแล้วมันมีอยู่สองมีเศร้าหมองกับผ่องใสเท่านั้นและอยู่ในจิตใจดวงนั้นเพราะนั้นเราจะทำยังไงในหลักของพระพุทธศาสนานีท่านให้เห็น อข้าวเส้าหมองข้าพองใส่มันก็นเป็นอันทิจังอันทิจังเป็นของไม่เที่ยงสิ่งไหนที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยทีนี้มันไปธรรมทางสู่ตรัยลักษณะทีนี้อันอันทิจังคือของไม่เที่ยงเป็นแต่ัลักณสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกมันเป็นแต่ัลักษณอีกข้อหนึ่งสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเรา นี่แหะที่นี่ต้องใช้ธรรมะตัวนี้ที่ว่าอนัตตาธรรมนี่แหละที่จะเข้าไปจัดการกับความรู้สึกนึกคิดนั้นให้มันพังทลายเลยว่างั้นเถอะใช้ธรรมะอนัตตาธรรมะขั้นสูงสุดของพระพุทธเจ้าอย่างาพระสาวกในครั้งพระพุทธเจ้าของเร า, ท, าที่ท่านได้สําเร็จมรรคสาเร็จผล ท่านก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าได้สำเร็จแบบเดียวกันท่านเราได้ศึกษาให้ดีแล้วมีหลายๆวิธีแต่ถึงยังไงก็เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้คือหลักที่จะกำจัดกิเลสภายในใจขององค์ท่านเหล่านั้นอย่างบางองค์ที่ท่านไปเห็นต่อมน้ำที่ว่าพระเดินเข้าไปที่จะไปถามปัญหาพระพุทธเจ้าพร ะ, ะพุทธองค์อยู่ที่พระคันธกวดี แต่พอไปแล้วฝนตกพระองค์นั้นก็ไปยืนอยู่ในชายคาเนียังไม่ได้ขึ้นกราวพระพุทธเจ้าเพราะฝนตกไปยืนดูจุดนั้นคอยจุดนั้นเวลาชายเวลาน้ํำหยดลงมามาตกกับพื้นจมมันแตกเป็นมันเป็นฟองขึ้นมาแล้วก็ดับตับจมเป็นฟองขึ้นมาดับตับท่านก็เห็นใจของท่านเห็นเออเนี่ยอารมณ์ที่มากระทบใจอย่างเนี้ย พอข h, Same, ึ้นมาแล้วมันก็เกิดแล้วก็ดับจิงไหนที่เกิดดับแล้วจริงนั้นไม่เที่ยงจิงนั้นเป็นเที่ยงจะเป็นเป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์แล้วจะเป็นเราได้ยังไงท่านก็ปล่อยวางขณะที่ท่านยืนดูน้ํากระทบอยู่นั่นแ่ะท่านได้เป็นพระรหันต์ไงเห็นไหมท่านเห็นน้ำเท่านั้นน่ะเพียงแค่นั้นท่านปล่อยวางในใจของท่านเป็นพระรหันต์ท่านไม่ได้กราบขึ้นไปกราบพระพุทธเจ้าเลยว่ามันท่านแก้ปัญหาเฉพาะของท่านได้ในขณะนั้นท่านเดินกลับกุฏิของท่านเลย พรท่านจบแล้วรู้แจ้งเห็นจริงแล้วไม่จําเป็นจะต้องถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รู้อย่างที่ท่านรู้ท่านรู้ก็รู้อย่างที่พระพุทธเจ้ารู้เพราะฉะนั้นท่านไม่ได้ถามท่านเดินออกไปเลยนี่แหละอันนี้ก็คือความสําเร็จของท่านแต่บางองค์ท่านก็เห็นพยับแดดพยับป๊อปก็เห็นอันิจังเหมือนกันเห็นอนิจังของไม่เที่ยงจากนั้นข้อท่านได้ก็สําเร็จเป็นพระรหันเห็นอันิจังของไม่เที่ยงจึงนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ อย่งนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราท่านก็วางที่ใจของท่านอีกท่านก็ได้สำเร็จอีกอย่างนางอุบลละวันนาท่านก็ไปจุดเทียนบูชาไปจุดเทียนบูชาท่านก็ยืนดูเทียนเพ่งดูเทียนแสงเทียนเพ่งอยู่ดูแสงเทียนท่านก็เห็นแสงเทียนเป็นยังไงมันตรงไหม มันถูกลมมันกับกพับเเป๊เป๊เปเอยู่ตลอดเวลาท่านก็บอกว่าเนี่ยใจของเราก็ลักษณะอย่างนั้นใจของเราเนี่ยมันวันไหวอยู่งั้นมันกระเพิบอยู่อย่างนั้นเหมือนกับเทียนพอท่านเห็นเทียนจาน้น้องเขามาหาใจของท่านจากนั้นท่านก็ปล่อยวางที่ใจของท่านท่านก็เป็นพระอรหันต์อีกในขณะที่เพ่งดูเทียนที่บนศาลาที่ท่าน กําหนดดูเทียนแต่พวกเราท่านทางหลายจุดเทียนไม่รู้ว่ากี่ดอกเมื่อกีเอ้เถอะเผลอๆมันหยดใส่มืออย่างโมโหอีกเพราะฉะนั้นพระอราหารันท่านท่านเห็นเทียนท่านก็รู้แจ้งเห็นจริงได้อย่างนางปต a จาราที่นี่ท่านไปตักน้ำํำตักน้ําใส่บ่ามาคือประเทศอินเดียเขาพอเปน็นทางตักน้ําเสร็จแล้วเขาก็ใส่หม้อน้ําบนบ่ามามาท่านก็วาง วางสําหรับเป็นน้ำล้างเท้าพอจากนั้นมาท่านก็เทน้ํำล้างเท้าใส่เท้าท่านท่านก็ล้างเท้าไปน้ําก็ไหลไปไปก็ซึมซับไปพอเทอีกครั้งที่สองน้ําก็ไหลยาวไปอีกพอเทไปครั้งที่สามน้าก็ไหลยาวไปอีกท่านก็เห็นอนิจจังโอคนเกิดมานี่เกิดมาเล็กก็ตายเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตายพอในสุดแก่เท่าฉลาดตายด้วยกันทั้งนั้นเป็นอนิจจังของไม่เที่ยง พอท่านรู้เห็นตามความเป็นจริงนั้นท่านก็ น, น้ อ, อมเข้ามาหาใจเห็นอนิจจังในใจของท่านท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ท่านเห็นน้ำไหลเพียงสามครั้งเทน้ํำล้างเท้าเพียงสามครั้งนี่แหละถ้าจะว่าไปแล้วออพระอริยะเจ้าทั้งหลายที่ท่านได้บรรลุมรรคผลถ้าเราได้ศึกษาดูเออไม่ใช่ว่าท่านจะภาวนาเห็นแบบเดียวกันแต่ว่าถึงยังไงก็ตามถ้าเรามาวิเคราะห์หรือว่า พิจารณาดูแล้วท่านเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไตร ล, ลักษณ์เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราจากนั้นท่านก็วางที่ใจของท่านส้ำลอกใจของท่านใช้แต่ประธรรมคือศีลสมาธิปัญญาศีลก็อย่างที่ว่าศีลคือเปลือกสมาธิคือกัปปีปัญญาคือแก่น ชั่มะใจของท่านขององค์ท่านเองจนรู้แจ้งเห็นจริงคือสําลอกออกเปลือกหลวงข้อเปรียเทียบเหมือนกับปอกข้าวเปลือกออกอย่างนั้นเอาเข้าวเปลือกมาสีหรือว่าแกะเปลือกออกสําลอกเปลือกมันออกแกะเปลือกมันออกยังเหลือแต่ข้าวสารในเมื่อมันเปลือกมันออกหมดแล้วไม่มีเอาไปปลูกที่ไหนมันก็ไม่เกิดแต่ถ้าเมื่อมีเปลือกอยู่มีตาอยู่มันยังเข้าใหม่อยู่ ปีต่อปีมันงั้นเถะพอดินฟ้าอากาศเหมาะสมมันก็ปลูกเกิดขึ้นมาได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าจิตใจของเรายังมีเชื้ออยู่มีราคะโทสะโมหะหล่อเลี้ยงอยู่ออกจากร่างนี้มันก็ไปเกิดอีกร่างอื่นมันก็เกิดอีกแต่ถ้าหากว่าเราใช้ตประธรรมคือศีลสมาธิปัญญาดูกันกรองทบทวน ه, เผาชารอกหรือกระทาะเข้าเปลือกออกคือชำระใจของตัวเองออกกิเลสราคาโทสะโมหะเมื่อเชื้อในใจหมดแล้วมีตั้งแต่ความบริสุทธิ์มีแต่เข้าศาสตร์มันไปที่ไหนมันกระปูกไม่เกิดท่นี่ถ้าจะว่าตามหลักที่ว่านิพพานังประมังศูนย์ยังก็ถูกศูนย์เชือ้อ เชื้อมันศูนย์ที่จะทำให้เกิดมันศูนย์นิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะไม่มีสิ่งที่จะมากวนสิ่งที่จะมาทำให้มันเกิดอีกเป็นข้าวสารแล้วเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์แล้วสิ่งที่จะทำให้เกิดคือราคะโทสะโมหานั้นไม่มากวนอีกแล้วเป็นคนละอ่านกันแล้วจบแล้วจิตใจที่นอกเหนือจาก กิเลสราคาโทสะกระเด็นออกไปเขาว่าถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับเยานอวกาศเคล่อนไปนอกโลกจนโลกดึงดูดไม่ได้เหมือนกันเอะเอยู่คนละส่วนกันเออเป็นคนละอ่านกันจิตใจที่บริสุทธิ์เหนือโลกเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเหนือจากสมมุติจนสมมติไม่ติดเหมือนนเถอะเออพอถึงจุดนั้นล้ววันิีพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแล้วก็จบนะอันนี้ นี่แหละในหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์แนะนําสั่งสอนลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพุทธบริษัทของพระพุทธองค์ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหรือภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกานะพระพุทธองค์แนะนําสั่งสอนอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ศีลวางกฎเกณฑ์อย่างวันนี้เป็นวันมาฆบูชาพระพองค์วางกฎเกณฑ์สําหรับปกครองสง จากนั้นก็วางกฎเกณฑ์สําหรับภิกษุสามเณรอุบาสิก า, อ, ากอุบาสิกาคือศีลห้าศีลแปดสำหรับเป็นผู้ให้รักษาคือรักษาเปลือกเปลือกกระพี้กระพี้คื อ, ค อ, คอทําสมาธิเมื่อสมาธิดีแล้วก็พิจารณาทางด้านปัญญาในเมื่อปัญญาเห็นตามความเป็นจริงปัญญาพิจารณาที่ไหนปัญญาเกิดจากใจในะใจของเราเนี่ยแหละ ที่จะส่งเสริมขึ้นมาได้นะความรู้ของเราเนี่เป็นสมุทัยก็มีเป็นมรก็มีเกิดอยู่ในที่เดียวกันถ้าส่งเสริมให้เป็นสมุทัยก็เป็นสมุทยัยถ้าส่งเสริมให้เป็นมร ก, ก็เป็นมรกเพรา ะ, ะนั้นจุดแท้แต่เราจะส่งเสริมทั้งสองอย่างถ้าเราใช้ธรรมะเข้าสู่จิตใจใช้ความถูกต้องใช้ด้วยหลักเหตุผลตามแนวแถวของพุท ธ, ธพิราณาตามความเป็นจริงมันก็เป็นมรก แต่เอาใจตรงนี้คิดไปเรื่องส่งเสริมเรื่องกรรมมกิเลศ เ, เรื่องลบโทโสศโมโหโมโกณนะมีแต่อยากจะได้ลุ่มหลงมั ว, มวเมาในลาบในยศในสนเสริญมันก็เป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดนะแต่ถ้าเราส่งเสริมใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตต า, าปล่อยวางอันนี้เป็นมักนะเพระนั้นมักและสมุทยัย มันออกไปจากจุดเดียวกันเออนี่แหละเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้สังเกตดูอย่างที่หลวงพ่อพูดอ่มันออกมาสองอย่างในใจดวงเดียวกันขาวกับดําเซาหมองกับผ่องใสเออมันออกมาจากจุดนั้นออกมาจากใจเพราะนั้นทั้งสองอย่างมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันถึงจะผ่องใสมันก็ไม่เที่ยงบางทีเมื่อกลับเศ้าหมองอีกเอ้ยเ้าหมองก็ไม่เที่ยงมันกลับผ่องใสอีกอ มัน ต, บตรตบตแตะแหงตรบแตะแหงอยู่อย่างนั้นเป็นอนิจจังสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเรานะเหัวใจนั้นธรรมะของพุทธเจ้ามีที่สิ้นสุดนะมีที่สิ้นสุดคือพระนิพพานเป็นยอดปรารถนาของพุทธสาวกพุทธบริษัท4ผู้มุ่งมั่นผู้จิตใจเข้าเข้าสู่ระดับสูงแล้วนะแต่ถ้าว่าจิตใจของเรายังต่ํา เราก็ยังปราถนาเรื่องมนุษย์สมบัติบังสวรรค์สมบัติบ้างหเห็นเขาหล่ำเขารวยก็อยากจะหล่ำจะรวยกับเขาอันนี้แปลว่าจิตใจอยงเรายังอยู่ในโลกียะอยู่แต่ถ้าว่าจิตใจของเราเผันเข้าไปหรืวว่าก้าวเข้าไปสู่ขั้นโลกตลุตตะแล้วนะ่ะมันจะมุ่งหวังอย่างที่หลวงพ่อพูดนะมันไปในแถวแนวลักษณะอย่างนั้นนะ่ะผู้ที่หวังพ้นทุกข์ในวัฏสงสาร จะไม่มาเวียนไหวยตายเกิดอีกถ้าว่าจิตใจของเราถึงขนาดนั้นแล้วอย่างที่ว่านั่นอ่ะเป็นข้าวสารแล้วไม่มาเวียนไ่ายตายเกิดอีกแล้วเอเข้าสู่นิพพานังประมังศูนย์ยังนิพพานังประมังสุ ข, ขังไปแล้วทีนี้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อได้พูดธรรมะแนวภาคปฏิบัติวันนี้ให้พวกศรัทธาญาติโยมได้ฟังเพราะวันนี้เป็นวันสําคัญยิ่งวันหนึ่งก็เลยได้พูดธรรมะ เป็นแนวความคิดให้พวกเราได้ส้ำเหียกสํานึกเข้าใจแล้วจะนำไปประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าว่าพวกเรายังทำไม่ได้ก็ให้ฟังเอาไว้แนวแถวของพระพุทธศาสนาแนวแถวของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้อสอนภาคปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาตามแนวแถวนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้พูดให้พวกเราได้ยินได้ฟังจากนี้ไปก็ให้เตรียมตัวนั่งสมาธิท่นี้ ปฏิบัติบูชาอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็ได้ฟังธรรมเทศนาโแวนวความคิดธรรมะถ้าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังซะเลยพวกเราก็จะมีความรู้ความฉลาดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะนั้นต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังสุตตะมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตะมยะปัญญาปัญญาก็เกิดจากการเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจินตนาการไขควรทบทวนเมื่อได้ยิน ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตให้สงบอย่างที่ว่านะสมาธิน่นนะเมื่อจิตสงบแล้วนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เห็นตามความเป็นจริงจากนั้นก็ถอดถอนกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจจิตใจก็บริสุทธ์หลุดพ้นไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัตสงสารนี้อีกเพราะจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางนะ แต่นี้ไปเอานั่งสมาธิณนะที่นี่นะปฏบิบัติบูชาที่นี่เมื่อนั่งขัดสมาธิเรียบร้อยแล้วปนมมือขึ้นระหว่าง อ, อกอ่าระว่าง อ, อกอันนี้คือวิธีการนั่งสมาธินะเอ่อจากนั้นพอประนมือขึ้นแล้วนึกในใจเนคไหวครูคือไหวครูคือบรมครูพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนสมาธิให้แก่พวกเรา เรานึกพุโทโธธัมโมสังโฆพุโทโธธัมโมสังโฆสามจบนะจากน hey, <t <t <t ั้นก็เอามือลงในเมื่อเอามือลงแล้วเราจะแผ่เมตตาก่อนก็ได้นะตนจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขตนจงเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุขนึกในใจนะเราต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นจัดอื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่เข้าไปเจ้าต้องการอย่างที่เข้าเข้าไปเจ้าปรารถนานะ เอออันนี้ก็คือแผ่เมตตาให้จิตของเราอ่อนนิ่มซะก่อนสรพรพสัตว์ในโลกใครๆก็ต้องการความสุขทั้งนั้นนะจากนั้นก็จะค่อยบริกรรมกําหนดลมหาย ใ, ใจเข้าหาย ใ, ใจออกหรือว่ากรรมฐานที่เราเคยปฏิบัติมาใครอยู่ในระดับไหนหรือจะพิจารณาร่างกายหรือพิจารณากระดูกหรือพิจารณาอสุภะหรือพิจารณาถึงความตายกระสุดแท้แต่นะ ผู้ใดเคยปฏิบัติยังไงได้ผลยังไงก็ปฏิบัติตามนั้นแต่สําหรับผู้ใหม่ก็ออกํหาหนดลมหายใจเข้าออกนะหลวงพ่อแนะนําให้กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออกบริกรรมพุทโธพุทโธพุทธด้วยนะอ้าวตอนนี้ไปนั่งกําหนดลมหายใจเข้าออกหรือพานานาิจารณากระดูกโครงสร้างอย่างที่พวกเราทั้งหลายเคยปฏิบัติ